พระธรรมเทศนาจาโดกปืนเมืองเหนือเรื่องสวนรณแปะคำเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเชียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูประเรียนทาหกประโยคนักักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงายโม ตัดสาคาวัตตอะระหตอสัมมาสัมพุทธัสสาตอปารังรัจจปรุิตังปักาโสเปตวติสัทโว ดูราสะปูริาตั้งลายตั้งยิงย่งใจหนุ่มเทามีสัตว์ทาเก้าเป็นพาทานต่างละการหน่อยใหญ่มีพ่อไข่นานาปากันมามวลหมูพ้อดาอยู่ฟังทมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลี ว่าตะต่อปรังราจาดังนี้เป็นตนติดสืบสนตัวไปบัดนี้แดเต <c oughs> ตะต่อปรังทัดนั้นไปบ่าจ้าตนเจ้าฟ้าผู้บ้านมีใจหันกำเศร้าปองข้าเจ้าบุญนาก็เรียกปรโรหิตาผู้ใหญ่ มาอยู่กเรียวปันแล้วไขปันทำเล่าว่าหนูราปูเทาเตรียมใจตั้นได้ไขเกาจี้เฮแจ้งทีอุบายบัดนี่ใจถอยไรมันย่ได้จูอันอันกันจักนำมันไปคาเฮความนาวอมวายคนตั้งหลายตัวดาวเตียงจกกักเกาดินตา ว่ากูดีนะไร่โหดเหตุมันบอมีตอดอันใดตันจุงข้าดิ้งใดกึดเล่าหายังเก้าอุบายเปื่อหฮือมันตายดว่วนสัน้นบอหฮืออยู่มันไปนานปะรอหิตาจยานผู้เทาก่อกมเก่าอันจุนี ว่าขอพระภูมีนยศใหญ่ตกแต่งใส่อุบายเรียกเคยตั้งหลายมวลหมู่มาพ้อมอยู่จอมกันแล้วไขปันปงขาดค <c oughs> ือแปงภาสากใส่สีสูงงามดีลายหลากเจ็ดจันหากเป็นทาราตกแต่งดาเลิศแล้วพระดบด้วยแก้วแลลแสง คำแดงเรื่องเรือพอจู่เมื่องามตาฝาผังก า, า, าจู่หองฮือควักตองดวงลายมีรูปตั้งลายน้อยใหญ่กร <c oughs> รูปปาไม่ดงดอนรูปกินมาร้อนแอนฟ้อนเป็นกูซ้อนกินนารีรู ป, ปราจ่าสีแระจ้างเสือปากว้างกวางฟาน รูปนกดงดานพร้อมควารูปแม่น้ำใหญ่กงการูปคุณอินตาบุญกว้างเป็นเจ้าจ้างเอราวันรูปสาวสะวันอยู่ฟ้า ลิงพอนาจุงปู้ตามพ้าตูนาปองตกแต่งยองดูงามหิ่งเด้งจามยายหยาดยามลมปัดวาดปูนฟังสร้างคนละหลังแข่งตาพ่อมทวนนาเจ็ดใจสองเดือนไมยเบียดไว้เฮอพ่อหม่ไขจูพัการใจสามันต่ำจ้าบ่มีไพ่ฟาจิงใจ คนเดียวได้กว่าจอยซ้ำตกถอยอนาถาเงินคำหาบ่อได้ตั้งเครื่องไม้ขวแป้งแก้วและแสงกะหมากมันจักได้จากเดนใดเตียงสุดวิสัยแต่ใส่เือเนื้อบ่อได้ดีลีเจ้าปุริยอดเย้าฟังคำเก่าวทุนสาแห่งปโรฮิตาผู้เทา ก็เกิดเล่าหันตันจริงเร็วปั้นปองขาดบอกอามาตคนไหนว่าดูราคุณต่างใจผู้แก่นมึงจุงเล่นพันพายเรียเคยจยหน้อยใหญ่คือมาพร้อมไข่บัดเดียวอาบาดเร็วรีบพาวตามกำเต้าปันใหม่กันเคยตั้งลายมวนหมู่มาพร้อมอยู่จอมกัน เจ้าจันทิราชก่อโอกาสไขจะาตามปารหิตาผู้เท่าไขบอกเล่าอุบายคือเคยตั้งลายหน่อยใหญ่หูแจ้งไขจูคนๆแลยนะ เอปนาจนาส่วนเคยหกคนปีเก้าฟังเต้าเจ้าไครปั่นกอป้ากันรีพาวปอกสู่ดาวแดนตนรีเปริ่นแต่ง้าง ยังหมูจ้างปังป้ายล่อเกลียนลายพร้อมไข่ตั้งเครื่องใจอาหารคือเข้าวสารหลายหลากตั้งจิ้นตากป่าตายพริกเกลือลายพร้อมเสียงตั้งหมากเมียงปูยา แล้วยกโยธาไผ่ไตนับอันใดปอปันรีไผ่พันกะผากออกไปจากธานีเข้าดงรีเถื่อนทองไปรถหองแดนไก่ โยธาไในหิวหอดจิงแปงปางจอดเศร้าซาถึงวันมาผูกเจ้าจุมเคยเก้าหกคนก่อเฮรีปนไผยไตยเร่งตัดไม่ใหญ่งามตา เปื่อด่างด้าแต่งหางตามนายจ้างไครปันพ่องก่อฟันพ่องถากเอาจ้างหลากนำมาเลือเป็นฝาเป็นแป้นตามอันแก่นเดิมอ่อน แต่งเป็นก่อนก้านฟ้าเป็นจอฝ้าปันลมไม่เป็นปมแปลออกพองต้องดอกลวงลายพองก็หมยเบียดไว้ยังเสาน้อยใหญ่น่านา ตกแต่งดาจูสิ่งคบทวนหญิงจูอันอันเสียงคืนวันลายหลากเดือนหนึ่งหากเป็นไม้ฮกเคยใจยดใหญ่ก็อเฮ่ไพยไตโยธานำเขีองนานามวนหมูปอกมาสู่เวียงใจแล้วเร็วไวแต่งสร้างยังผ่าศาสตร์กวางเจียงคานตามรัชองการป่อไทย หากตกใส่วางปั่นตั้งคืนวันบอ่จอดเดือนหนึ่งรอตเต็งมากการน า, นานาน้อยใหญ่จิงเมียนควายดังใจเป็นหอใจภาษาฮกหลังอาเตรียงยายหกเคยใจผู้ปีมีใจกีเจยบ้านต่างจากคานต่อถอยมีบอ่อน้อยหลายพากการก็มีหันและนาะ ธอมทังประกาศเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาอันวาสปัญญูพระพุทธทเจ้าตนเป็นปินเกาติโลกาจารห์หันอัตานิทานไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนะนาวะเตสโสมนัสัพปตาหุตาดังนี้เป็นตนพิกาเวดุราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาติบ่อละขาดภาวนา ส่วนเคยพาดยาปีเก้าหกคนละอเป็นไมานํำรีปนไหลไผ่ไตสร้างผาสัตว์ใหญ่ใส่สีบัวระมวลดีจุสิงหกหลังหญิงเจียงคานตามราเจ้าองค์การเต้าไทยหากตกใส่วางปันเขาปะกันจมจื่นปีตีตื่นยินดีต่างไขาวาตีเก่า ว่าบัดนี้หมูเราราบอเครื่องกาแต่โสตียังปนโตตั้งตายส่วนว่าใจาต่ำจ้าอันเป็นเคยลาเราราบมีพาจ่าผัยน้อย เป็นกูหอยเตรียมตนบ่มีรีปนน้อยใหญ่รับจ่วยใจกระตงการบ่มีผู้จะนานฉลาดควักแต้มวาตดวงลายเขื่องไม่ลายน้อยใหญ่ หาบ่อใดแดนใดไม่มีไหนปากกว้างมันบ่มีจ้างปังปายตั้งล้อเกวียนลายจักลากออกมาจากดงตันกันถึงวันมาไขมันสร้างบ่อใดดังมาย มันเตียงได้ตายความนาด้วยดาบกาคมบ้างตามเจ้าหอควางป่อไทยได้บอกไว้เป็นทาราจุมเราราจูผู้เตียงได้อยู่เจ้าน สุขสำราญจื่นจ้อยมองต่ำก้อยหายหุนเคยหกคนผู้ปีต่างใจกี่สมมนัตส่าตังไขจ่าต่อท้อยดูแขวนเจ้าหนอหยอดซอยนานาแลนาปุธีสัตตปาณาส่วนปุธีสัต์นอยใหญ่อันเต้าไทายปงปันหือสร้างหอจันภาษาเจ็ตจันอาเป็นไม้ กันพ่านพายไปรอถึงติจอดแกาหาก็ใครจกากเก่าฮือราจะทิดาูต่มีนางชมสีนอเนาได้ยินเจ้าจากใครมีหอระไทยต่ำก้อยริรำถอยปริเตวานาว่าเจ้าปาราตนป่อบองขึ้นต่อเย้าไกเต้ามีใจโคตรกา เคยฮือเคยลาบอมบอยแต่งอูบอยเตืมซ้ำมีความพ่ำหลายแสงบัดนี้ฮือแปลงภาษาเจ็ดจันอาจเรื่องไรพี่บ่มีไผยสักผู้จักมาเป็นกูเตรียมตนบ่มีรีปน้อยใหญ่ตั้งไผ่ไตผาจาจักอาสาช่วยสร้างฮือสมไฟอ้างคนิงมาย จางฟังปลายน้อยใหญ่อันจักหลากไม่นํามาตั้งจางนานามวนหมู่ผูชาลัดหูปกแตงตั้งแก้วแสงก้ามากจักเอามาจากแดนใดสุดวิสัยลําหมอกกึศบออกหันห้น ฟันดังตนแห่งปีเตียงถึงตีบำบอยกันพี่ตายหมุกมู่น้องก็บัว อ, อยู่เป็นคนจักเร่ร้นรีบหาเปล่าลงดาววังใส เฮือตายไปจอมปี่ฮือเสียงตีมองผ่านหรือจะ ก, กินง่วนสานปิดไรยฮือตายด้วยง่ายบัดเดียวหรือเอาเชือกเหนียวบ่อน้อยมัดคอหอยเมื่อมอน ย้ำอวบนถูกต้องบ่มีปีน้องวงใหญ่ย้ำเข็นใจกันอยากปีน้องภาคหายหุ่นย้ำเมื่อตนตกต่ำตั้นข้ามย้ำดูเบายามกว่างเมาปันบาบ่มีปู่ป้าตาใหญ่นางกิ้งไผอ่อนน้อยริรําถอยไหลพาคการดอกโปที่ยันหนุ่มเล่า ก็ลมเล่าเอาใจว่าดุราีน้องวัยน้องไทยน้องอย่าได้มองขีอย่าไขวาตีนักโสดโบมีประโยชน์อันใดริรำไรเสียเปลือกตุกตัวเก่าได้ได ควรกฎหมายสั้นทีเหือแม่นตีตามธรรมคนน่านำในโลกสุขทุกโศกสูนกันตามกรรมภัยมันสร้างไหวเว้นบ่ได้ดีหลีกันบุญมีบ่พ่นแต่จัดก่อนดวงลายบ่สูวนหายพุทธขาดมาต้องป่าตัวตั้นในปัจจุบันจัดนีเตียงได้หันทีต่อตา หอผางกากว้างใหญ่อันเต้าไทยจอมไทยฮือปีไปก่อสร้างเตียงสมไฟอ่างข้านิ่งวังกันปังหลังแต่ไทยสร้างบาปไว้นำนาบากตัวมาตอบทายฮือร้อนร่าเตารุนสร้างหอมงคลภาษาเจ็ดจันอาใส่สีบบัวระมวลดีพร้อมไข่คือบ่อเบียนใดดังใจ กานจักนำไปคำคาเือความนาเบื่อมอนปีบอวอนสอกเศรย่อนกำตัวเก่าปามาข้อสีโซภานนองจันทร์ ขึนสอดดันตามรา้ตุกโศกลายนั่นใส้บ่หอนได้เป็นยากวรรอราท้าพอสืบติดต่อนันไปจากตุกใจคำเจ้าร้อนไม่เอามองผ่านหรือจักใจบานจื่นจอย เมื่อวันสุดซอยมาเติงบอกกวนรำเปิงว่าร้ายแล้วรีบย้ายตนนี้บอกกวนว่าดีลำล่นแล้วเล่นล่นไปจูหน่อซอปัญญูนมเนาจา่าลมเล้าเอาใจหื้อสีดงไว้หยอดซอยหายตำก้อยมองขีก็มีหันและนะ่นา ปู่ที่สัตว์ต่อปีอันว่านอพระทับสะปนตนหนุ่มเนารูวา้ว่าเคยเก้าหกคนนำรีปนไผ่ฟาเข้าสู่ป่าดงควางจอดแปลงปางอันใหญ่ดาเขื่องไม้ดานาเปืือดนำมาก่อสร้างยังภาสาดก้างหอจันเสียงเรื่องนั้นมีนอมกอส ง, nh งา ส, า si สะนันห้องดงดาน เจ้ากวาทิธานข่าวไปเถึงเตป่าไทยไปบนอันเป็นปีตนจัดก่อนบ่ยั่งย่อนบันไดว่าค้าแด่พี่ใสใจขินค้าบทนี้เจ้าฟ้าปาลามีอาจญรตกใส่ฮข้าใดปกแปลงยังห่อคำแดงภาษาเจนจันทร์ตรึงใจเอเร็วไว้มียนจอด สองเดือนรอดเป็นหมายกันสร้างทวายบ่อได้บ่อเมียนไข่ตามรมตันจากน้ำไปคาหือความนามรารณาขอปีสายตายาจ้า มาช่วยคาคำจ่ายน้องสุดปลายแห่งเจ้าแต่จาดเก่าเดิมมาเครื่องกาหายขาดุกไม่มาหาย ห, หุ่นจุ่มคนโลกตาหรือเหล่าว้มันนาน คือต้าผูบ้านใจห ย, ยาบได้หูบาปแลปลบุญจักเป็นกุนผาเสดผาละเกิดตัวมานอพุท ธ, ธานุ่มเนาอาทิตย์ทานดังดีเล่าตั้งวันก็มีหันและนะตาตาตาเทวปุทโตเมื่อนั่นเทวุตตนบนกว้างอยู่เสพสร้างเมืองสะวันหูวาน้องจอมขันจัดก่อน ตุกทางคอนทานัดใจก่อเรียวไว้ไปไว้ซึ่งเต่าไทยอินตาวาข้าแดมมหาราชาเ จ, จ้าตนเป็นปิ่นเก้าคงสวรรค์บัดนี้จอมควันแห่งคาในลุ่มฟ้าเบืองค้นใจบวนกังแกนตุกทางแด่นทมนาคอคุณนะชจวยกำฮือหลวงลำพภัย แล้วก่อไข่บอกเล่าตั้งแต่เก่าเดิมมาใื้คุณอินตาบุญใหญ่หูแจ้งไข่จูอันอันคุณสวันเจ้าฝ่าเล่งพ่อนาจุมปูหันนอสปัญญูยอดซอยตกตาต้อยดาํำจิงเรียกวิสุกรรมบุญใหญ่มาอยู่ไกล้บัดเดียวแล้วจะเล็วกาวจี้ เอ้อแจ้งที่สับปันวกันถึงวันสดซ้อยอันเต้าใจถอยปันไมายผือพันภัยรีพาวลงสู่ดาวเมืองค น, คำนกำหดอตสัป น, น้อยหนาดคือเนรมิตภาษาใส่สีฮืองามดีกว่าหมู่กันอยู่ยายกันแล้วเร็วปันปิกปอก วายน่าออกขึ้นมากันคุณอินตาบนกว้างไข่เกาอ้างสุดกำวิสุกรรมตนบุญใหญ่ก็รับความใจอาสาแลกก็ลาขึ้นสู่ยังที่อยู่แดนตนก็บิหันแล่น่ะ สนเตวะบุตนวิเศษปีเจ้าน้อยเนตหนอพุทธาหูขีญาเจ้งที่มีใจกียินดีกออันจุลีกมเก่าลาเต้าเจ้าขุนสวา์แล้วเร็วปันบ่จ้า ลงสู่นาปทาวิยามร้อยทีเตียงคอนคนจูบ่ลเสาซ่าน้องเตียมตาจาดก่อนมีอยู่บน่นแดนใดก็เข้าไปติหันบอกน้องจันจอมควันคอือนี้มิดฟันหันเหตุหูแจ้งเจตตามีแล้วก็หนีขคืนสู่ยังตีอยู่เมืองบน นอตอสาสะพนุมเนาหูเงินเก่าวความไหนก็จะใครเก่าหูราชจดีดาูจูอันอันกันถึงวันสุดซอย <c oughs> อันตาอใจถอยกฎหมายก็พันภายเตียวต้องเข้าสู่ห้องเวียงใจแล้วเตียวไปตีไกผาสัต์ใหญ่หกเคย แง่นาเอยสั้นพอวางอ้ามแต่น้อเหลือลายเราก็หมายก่อสร้างตีจิมขังถัดไปตามเจ้าห่อใจป่อไทยได้สั่งไว้เป็นธารา เตี่ยงบองอ้ำนำนาเต้าอีเหตุคานี้เดียวได้บ่มียิ่งใจไผ่ไตจู่วยใจแต้นตนน้องตาสะปนตนอง์อาจกล่าวเสี่ยงขาดสุดปลาย แสงปักหม้เบียดไว้คึงเจือใสเป็นแถวปักเป็นแนวเป็นจ่องแล้วเล่งส่องตามร้ายหกเคยใจยปีเก้าหันยังเจ้าบุญมีต่างไขว่าตียอดใหญ่ว่าจังเหใดสันใดบ่มีไัยสักผู้จักเป็นกู่เตรียมตนตูนำรีป น, น้อยใหญ่ตั้งไภ่ไตผาจา ตั้งจากนาหหลายแลนับอันแต่หลายปันตั้งคืนวันบ่ผ่อนบ่ยั่งย่อนวางการสร้างมือนานแต่ใสจริงเมียนใดดังไม่เหตุคนหลายน้อยใหญ่มาช่วยใจอาสามึงเอกาตัวเป่าถึงวันผูกเจ้ายาำง่ายมึงเตี้ยงตายมวยมั่งเหตุบ่ได้สร้างผังกา ตามอาญยาปลอไทยหากบอกไว้สัจจังมึงบอกมีวังจะรอเตียงมวยหมดเป็นพีปูนภานี้บอกแล้วยังนางแว่นแก้วชวมสีผัวตายเป็นพีนี่ไปได้เป็นแม่ใ้บองผ่านนอโปที่นาั้นยอดซอยบอกตอบทอยกําได แสงเหลียบเปล่งไปหลายปอกปักลักบอกเป็นไมยแต่ยำง่ายเมื่อเจ้าทราบต่อเตายำแรงตะวันแดงคำลาดาลป่าดงเขียวจริงปอกเลียวขึ้นสู่ังที่อยู่เฮือนตนก็มีหันและนา มาจีมะยาเมสัมปเตกันกลางคืนมารอเตบาบุดยอดวิสุกรรมก่อนยี่ะตามกรรมบอกกล่าวแห่งตันเต้าอินตาเสด็จมาไว้วงลงสู่ห้องเวียงใจรีเปลวไว้วาวาดเนระพิณภาษาใสสีเจ็ดจันดีฟาเสดงามลำเลิดเลือใจ รัจมีใสสองตองไปรอดห้องไก่ตาจุมผังกามวลหมู่อันตั้งอยู่บนดินแห่งเต่าผู้บินน้อยใหญ่บอกว่าเมืองไก่และไก่ บ่มีหลังใดเพียบใดพับแผ่นไตปตะวีกันเนระมิดดีเมียนแล้วเตว บ, บุตรแก้ววิสุกรรมกอริบไปไข่กำบอกเล่าแกนอพระเจ้าบุญนา และออกไก่กาขึ้นสูญยังตีอยู่เมืองสวรรค์ส่วนนอขุนทันหนุ่มเดากันรุ่งเจ้าเรื่องไรก่อกาไกร่รีพาวเข้าสู่ดาวปาราและออกไก่กายหญ่าบาทขึ้นภาสาจียงคานมีใจบ้านจมจื่นปีตีตื่นเลือดไหลเต้ยวผนภายสั้นสองไขว่จู่ห้องพังกา แล้วลงมาปา ล, ล, ลายไตเลียยเปล่งไคลไหลหนพัดเววนหลายปอกเขาและออกหลตีหันงามดีจูสิ่งพ้อมทวนยิงจูอันอันแล้วภายพันดวนหาวไปไว้เต้าผา ป, ปาราวบัดดีนาภาศาสัตอันป่อที่ราชปงหมาห้สร้างทะกวายนันไซ หากเมียนไข่จูพาการขอพระผู้บานเจ้าป่อไปสั้นพอเล็งดูกันเจ้าบุญจูยอดซอยกก่าวเสียงซอยสุดกำรรเจ้าหอคำที่ราดบ่อเสียงขาดสงสัยจิงลุกเตียวไปสั้นส่องตัดหน้าป่องหอจันก็เล็งหันภาษา เจ็ดจันอาดงามดีรัศมีใส่สองไปไข่ห้องเวียงใจเต้าเปิ้งใจบ่อนยย้อนผาสัดซอยคำแดงปูนดีแยงจู่มือบองหูเบื่อจังใจเต้าจอมไต่บาปกาเต้าบอกว่าดีดีแล้วรีบหนีเข้าสู่ ยังที่อยู่หอในเหตุมีใจไขคายังเคยลาคำใจาตามอูบายเกิดไห้ป้อยบ่สมไฟกิตตนา ส่วนหนอปุถาตนองอาจกอย่ายบาดภายพันจากรงกันไว้ว่องปอกสู่ห้องเฮือนตนบอกนางตา ม, มุนกินกู้ได้หูตามีแลยนะปั่นดังเคยหกคนปีเก้าออกันรุงเจ้าขวายมาต่างสังกาหลายลากจู่ผู้หากอัศจร์เหตุได้หันภาษา เจ็ดจันอาจใส่สีหากงามดีกว่าหมูอันตั้งอยู่ย้ายกันพอห่อจันตัวสร้างคนอวดอ้างงามตาบัดหนีนาหมุนเศร้าเป็นดังของเก่าหลายปีดังกากาลีถอยไรมาอยู่ไกลหงคำต่างไค่กำต่อถอยมีบ่อน้อยไหลผากกาด ต่างมองผ่านไม่มาตุกต้องปาทอระไทยส่วนคนเวียงใจตัวดาวรู้แจ้งข่าวขี่ห้าปากันมาพร้อมไข่ตั้งน้อยใหญ่ยิงใจแวดใหญ่ย้สั้นพอออกปากล่อจากกันเสียงเดืองนั้นซาเศ้าไข่เขตดาวอาณา พ้องว่าหอผางกาหนีใสดังเตปาไทยไปบนมาบันดลก็สร้างเฮือสมไฟอ้างคันนิงหมายเหตุงามไหลลำหมกตั้งปลายนอกปลายในพอตัดไดงามหนิงงามจูสิ่งจูอันบบก้ยหันแต่ก่อนเจนปู่มันตาใหญ่ ฟังว่าเคยจใยผู้ลาฤท ธ, ธิีกาณาดำหูบนยำวิเศษสวัสดิ์เปตทรัพเซียวตัวคนเดียวแต่ใส่ป่อยสางใดเร็วไวจุมคนในโลกว้างไพ่บ้างเตรียมตัน กันถึงวันปลายนาเตียงได้เป็นเจ้าฟ้าภาพจุ้มปูคนมาดูหนุ่มเท่าต่างย่อคุณเจ้าลายพระการก็มีวันนั้นแลยนะเนธิตังขียาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณะแต่คําผูกทวนเก้าปางเตบาปุจเจ้าวิสุขกัม กัมนอคุณทรรมน้อยนาดเนระมิตรภาษาญอท้าวายจักจ่าไหลาต่อแทงขอหากแข่งเหลือใจเหือก็ไหล ย, ย่อยศอกตั้งป อ, ออกแม่ออ ก, ก่อเจ็บหลังจริงนิีิตั้งเต้า อ, อี ก, ก็อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล